าคสตัตใใใใสตตดดี้วันนี้ก็เป็นแคสตัดดี้หนึ่งพันสิบสามหนึ่งศูนย์หนึ่ง131013 ผมมีอดีตที่ผิดพลาดที่ทำให้แม่ต้องปาดน้ำตานะแต่ว่าเมื่อผมอยากทำความดีเพื่อแม่สักครั้งหนึ่งจึงตัดสินใจมาบวชภาคฤดูร้อนเมื่อปีองหาสี่ศหลังจากลาศิกขาแล้วผมจึงหักดิบอบายมุขแล้วก็หักมุมชีวิตด้วยการสละปริญญาตรีทางโลกและนาทีการงานที่กำลังก้าวหน้าไว้ข้างหลังแล้วก้าวไปข้างหน้าสู่ร่มภาคกางสพัฒอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปีพุทธศักราช2542จนถึงปัจจุบันผมก็เป็นพระลูกชายครูมบใหญ่ได้8ภาษาแล้วครับสาธุชีวิตในวัยเด็กของผมเสียดตายก่อนวัยอันสมควรมาแล้ว 5-6 ครั้ง <c oughs> เป็นครั้งหนึ่งเมื่อผมอายุสิบปีวันนั้นผมได้ไปเล่นน้ำทิศะใกล้บ้านเป็นสิะที่เกิดขึ้นจากการขุดหน้าดินนำไปขายมีความลึกถึง6เมตร ผมยืนริมสระแล้วก็โดดลงไปในน้ำแล้วก็เท้าทั้งสองข้างดิ่งลงไปเลยจนถึงก้นสระนี่เท้าทั้งสองดิ่งลงไปติดนั่นก็ดินงโคลนเหนียวเหนียวดิ่ยังไงมันก็ยังไม่หลุดอยู่ในระดับนี่หกเมตรน้ำลึกคั้กสุดท้ายผมสปริงตัวอย่างสุดแรงตายไหม ไม่ตายจนหลุดจากโคลนได้รอดตายยังวุดวิทย์อีกครั้งหนึ่งตายอายุสิปีผมขับรถมอเตอร์ไซค์สิ่งในวัยคันนองตอไดนั้นรถกระบะที่ขับตามมาข้างหลังพุ่งชนมาที่รถมอเตอร์ไซค์ที่ผมขับอยู่ผมแล้วรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปคนละทิศละทางแล้วก็มีรถกระบะอีกคันขับรถพุ่งตรงมายังผมที่นั่งกลางถนนต่อได้นั้นรถยนต์ก็เบรกดังเอี๊ยตกลางถนน จอดนิ่งห่างจากผมแค่สองเมตรเท่านั้นตายไหมไม่ตา ย, มยมแม้มร็วะภัยจะปรากฏอยู่ต่อนน้าก็หาทาให้ผมรู้จักใช้ชีวิตให้คุ้มค่าไม่ไมต่อมาเมื่อผ ม, มอายุ16ปีขณะที่กำลังเรียนเทคนิคปวชาตอนนั้นผมไม่รู้จักเลยว่าเพื่อนจะเป็นบัณฑิตนักประราชนันหน้าตาเป็นอย่างไรพ <laughs> ผมครบคนผ่านเป็นมิตรชอบเที่ยวกลางคืนชอบดื่มสุรา แต่ว่าไม่มีนารีนะครับจนผมติดใจนี่ถ้าหากว่าย้อนเวลาได้เนี่ยผมอยากจะกลับหลังหันแล้วก็ไปบอกพี่ๆแล้วเพื่อนๆทุกคนอ่ะที่มาชวนผมให้ดื่มน้ำเย็นบ่อยครั้งที่แม่ต้องร้องไห้เพราะผมแต่ความรักของแม่นี่แหละครับที่จะที่เปลี่ยนชีวิตของผมได้เริ่มไปจะว่าผมไปงานมันเกิดเพื่อน เราจะรลองมันเกิดกันที่ร้านอาหารแล้วก็ดื่มสุราอย่างสนุกสนานประมาณสิบกว่าคนตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีสองเ<อ>พื่อนๆต่างเมามายกันท่วนหน้ารวมนักตัวผมที่เมาแล้วออกคลั้งแล้วครั้งเล่าจนไม่มีออแรงเพื่อนๆยังช่วยกันหิ้วปีกที่บินไม่ได้ของผม <laughs> ไปนอนที่บ้านพื่อน ไปสางเมาแล้วผมกลับถึงบ้านเวลาเช้าเมื่อถึงบ้านหน้าตามแม่อิดอร่อยมากราก็ไม่ได้นอนตลอดคืนแม่พูดกับผมว่าลูกแม่เนะ่เป็นห่วงลูกมากนะจนแม่นะ่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนทีหลังกลับมานอนบ้านเหล่านะลูกนะตอนนั้น oh. ผมรู้สึกแปรึันมาในหัวใจ ผมกับคิดในใจว่าวันนี้ผมทํทำให้แม่เสียใจแต่สักวันหนึ่งผมจะทำให้แม่ดีใจจะทำไงให้แม่ดีใจเนี่ยวันแห่งความรักวันพรุ่งนี้เนี่ยไปแสดงความรักแม่และก่อนที่ไม่มีแม่จะให้กอดพอผมมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยลามำแหงผมก็ยังทำตัวเลวไหลเช่นเดิมแต่และ ว, วันหนึ่งผมจะเห็นป้ายโฆษณาที่เขียนว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายนี่แหละใช่เลยโยเยโบเยโบเยโบใช่เสิ่งดีๆที่ผมจะมอบให้แม่มผมตัดสินใจบวชธรรมทายาทันที<า>นปีสองหสีศการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ผมพบความสุขที่แท้จริงมผ ม, ม่รรยาจว่าการมีเพื่อนเป็นกัลายาณมิตร มีค่ายิ่งกว่าแก้แหว่เงินทองหลังจากลา ส, สิขาแล้ว <c oughs> ผมเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นคนดีด้วยความสมัครใจโอ้ <c oughs> มาเป็นอาสาสมัครที่วัดแล้วก็ตัดสิในใจบบกอีกครั้งหนึ่ง<า>ในปีส5งหสี่สซึ่งบกอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับเพราชีวิตสมณะคือของกวนที่ยิ่งใหญ่ที่ผมจะมอบให้แม่ผู้ื่อทให้ชีวิตผมได้มีทุกวันนี้ ผมตั้งใจที่จะบวชอยุดสร้างบารมีกับครูไม่ใหญ่ตลอดไปครับ<า>ชื่นใจเมื่อพรรษาที่6ตตองกับพุทธศักราชสอ47ผมเยเป็นโรคมะเร็งในช่องท้องมหมอบอกเป็นมะเร็งระยะที่สองเป็นระยะที่มะเร็งกำลังก่อตัว<ม>ถ้าดูแลสุขภาพดีจะมีโอกาสหายขาดได้แล้วหมอยังบอกอีกว่าก้อนเนื้อร้ายขยายตัวอย่างรวดเร็ว หมอผ่าตัดทันทีแล้วก็รักษาด้วยวิธีฉายแสงร่างกายอ่อนแอลงมากโอ้ oh. จากเดิมน้ำหนักหกามกิโลแล้วเพียงสี่สิบกว่ากิโลเท่านั้น hmm. ต่อมาเมื่อผมมีโอกาสกลบไปปฏิบัติธรรมที่สุกสันโดษต่ฝานง้นครูไม่ใหญ่เดิมมหาพร้อมกับนำเทียนที่มีดวงสว่างมาปักทับกับเทียนของผมที่มีแสงริบหรี่ใกล้ดับ hmm. วันลงเคนอการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นอย่างประหลาด ต่อมาเมื่อปี2549หมอตรวจแล้วพบว่าแล้วบอกว่าผมหายขาดจากโรคมะเร็งร้ได้อย่างรวดเร็วมากๆนี่ทั้งๆที่ผมเป็นโรคนี้ได้เพียงแค่ปีเศษเท่านั้น อ, อหายเลยนะลูกนะ<ส>าหายขาดไปเลยไม่ต้องกลัวมะเร็งเฮงนั้งนี่เหนื่อยยี่สกบกว่าปีนีมีอยู่คนโอ้โหหน้าดำมาเลย <สา S 1> ครูคร้อยากก็นั่งอยู่ที่ สราดุษิ์ก็เ น, นดามาเป็นไรบอกหมอก็พไปพากษาบอกอีกหกเดือนจะตายได้โลกวมะเลงบอกเออไม่เป็นไรยังไงมันก็ตายกันทุกคนช้าหรือเร็วอังี้ไปนั่งหลับตาหาพระในตัวเถอะหาพระในตัวเจอได้เมื่อไรแล้วก็เดี๋ยวจะขยายเวลาออกไป<ๆ>ก็กลับไปนั่งนะ<ๆ>เอออาทิตย์ถัดมาหรือสองอาทิตย์จไม่ได้แล้ว มันตั้งยี่สกว่าปีแล้วนะหน้าดำหายไปยที่ว่าหน้าดำเหมือนคนหมอมืมอนจอริงๆออวันนั้นหายไปเลยแก้มแดงนี่อย่างกับคนละคนเลยเ อ, อ, อยู่กันตั้งบันนี้ยี่สิบกว่าปียังไม่ตายเลยเออกลับไปหาหมอใหม่ หมอครัไมไม่ตายทําไมไม่ตายย่อแม่เคยร่วมลงทุนทํานากุ้งอกับมูญาติในช่วงแรกๆกุ้งถีอเลี้ยงเอาไว้กับตัวอ้วนพี่แต่เล <m> ี <t ired> <m> ้ยงกุ้งเรามาค่อยมีปัญหาแต่นี่ให้กุ้งเลี้ยงนะกุ้งเลี้ยงตอนแรกเลี้ยงกุ้งไว้เอาตัวอ้วนพี่ทําไมราคาดีจนสามารถขายกุ้งในแบบยกบอเลยครับ เงินทองก็ไหลามาเป็นกอบเป็นกำแต่ช่วงหลังๆกุ้งที่เลี้ยงไว้กับสามัคคีกันตายหมูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมานไ้ฉันกันตายหมู <c oughs> จกนกระทั่งตายเรียบ <c oughs> ยกบอ่อเลยทำให้เลิกกิจการ <c oughs> แล้วก็ขาดทุนอย่างยับเยิน <c oughs> พร้อมกับหนี้สินอีกมากมายกลายเป็นอดีตถูกต้องจะไร้กลีบกุหลาบมาโปรยบนเส้นทางชีวิตอีกต่อไป แม้ลังลอยของหนามกูราบก็ไม่ได้เห็นเรียกว่ายกไปทั้งต้นเลยโอ้อะไรจะกันน่นนั้นนอกจากนี้ธรรมชาติก็ยังซ้ำเติมเพราะในช่วงหน้าฝนตลอด 7-8 ดปเดือน 7-8 ดปดปีที่ผ่านมาที่บ้านเกิดของผมคือที่อเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมาเกิดด้ยทกภัยจากพายุฝนตกที่กระหน่ำลงมาอย่างมืดฟ้าโมวดินทาให้น้ำท่วบ้านของผมอยู่เป็นประจำเป็นเรือนแพรไปเลย บางปีน้ำในบ้านก็ท่วมสูงระดับหัวเขา่าแต่บางปีน้ำก็ท่วมสูงระดับเอวส่วนปีที่แล้วนี่ <c oughs> ปี2549 <ก>ระดับน้ำสูงจนเกือบมิดชั้นล่างของบ้านแต่เมื่อได้รับความชื่อเหลือจากมูลนิธิธรรมการเดยพระราชีพาวนี้สุดซึ่งเช้าจันทบรุรีทุกคนต่างทราบซึ่งและขอกราบขอพระคุณคุณผู้ใหญ่ที่ไม่ทอดทิ้ง ในยามทุกยากที่นนี้อเรานี่ยมันเป็นคู่ทุกคู่ยากกันแต่ต่อไปเราจะเป็นคู่สู่คู่สบายอตอนนี้เราก็เป็นคู่ทุกคู่ยากดันดิ้งเนี่ยบรรทแห่งความรักเนี่ยเราก็เป็นคู่ทุกคู่ยากมานานแล้วเนี่ยต่อไปเราจะเป็นคู่สู่คู่สบาย นี่ถ้าเราหากว่าเรามาทําเสา <c oughs> <c oughs> เขาฟันลองได้เห <c oughs> มือนกันเนอะ <c oughs> ยมพ่อเป็นตํารวจปาา่าไม้แต่ว่าไปแล้วต้นไม้มันก็อยู่ยเฉยๆนะ <c oughs> แต่ทำไมทำไมจะมีฆาตกรต้นไม้อย่างเลือดเย็นต้นไม้นั้นไปได้ไปทำอะไรมันอยู่เฉยๆแต่มีฆาตกรนี่มามาทําฆาตกรรมต้นไม้อย่างเลือดเย็นโค่นแล้วโคนเหล่าเฝ้าจะโค่นยมพ่อจึงกลายเป็นตํารวจผู้พิทักษ์ป่าไม้ ตีกระชันงันแข็งรับผิดชอบสูงเป็นรปภของตอน้นไม้ท่านเป็นที่รักของเพื่อนพ้องแต่ด้วยความดิ้นทันอย่างนมและทํางานคลายครอบครัวทำให้โยมพ่อทําผิดศีลแทบทุกข้อโดยเฉพาะศีลข้อหต่อมาเมื่อโยมพ่อยุมากขึ้นกันเลิกเ่าเ ด, ดเด็ดขาดเพราะท่านมีโรคประจำตัว <c oughs> คือโรคเกาโรคหัวใจโต <c oughs> ผมก็ไปเยี่ยมท่านบ่อยๆจึงท่านมักจะถวายปัจจัยมาร่วมบุญกันค ร, รูไม่ใหญ่ทุกครั้ง กระทั่งท่านมีอาการปวดท้องรุนแรงอยู่หลายวันโยมแม่เห็นผิดสังเกตจึงรีบพาส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกไส้ติ่งแตกท่างรีบผาตัดด่วนหลังจากผ่าตัดแล้วการของโยมพ่ออดซุดนักก็เสียชีวิตมาออายุได้เจ็ดสิบสามปีหลังจากโยมพ่อเสียชีวิตได้สามวันตอนนั้นเป็นเวลาสองสามทุ่มผมและพระเพื่อนอีกสามรูปกำลังเตรียมงานอยู่บนเมรุทำกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดในเวลากลางคืนสุนัขหลายๆตัวเถอะนั้น หอนอย่างโหยหวนตอนนั้นพวกผมซึ่งเป็นพระภิกษุสามรูปก็มีอาการไปทำตามกันเด็ดแต่มองตากันบิบปลิแล้วก็รีบผูกผ้าตกแต่งเมลุจัดดอกไม้ต่อไปจนเสร็จอย่างรวดเร็วยอมตาเป็นชาเจีเนส่วยชีวิตขยันกันแข็งแต่ไม่รวยทั้ทงทงที่ท่านทำงานหนักก็เอาเบ้ากระสู่มาตลอด หลายสมองหลายมือแต่ยังไม่รวยแต่โยมตาก็อยู่อย่างมีความสุขกับครอบครัวและลูกหลานตามประเพณีชาวจีนทั่วๆไปท่านศรีชีวิตเดียวเรามาเร็งในท้าในวยัยหกสิาปีสำหรับโยมยายเงินใจบุญไม่เคยปฏิเสธการทําบุญวัดไหนทําบุญอะไรโยมยายทําทุกบุญทำบุญทั้งประจยัทยทายธรรมเราต้องเหลืองานงต่างๆในวัดทั้อย่างนี้ท่านยังสอนลูกๆหลานๆให้เป็นคนดีให้มันทําบุญนําทาน แม่เจอท่านจะมีเงินมีทองไม่มากแต่ท่านกระทำบุญอย่างเต็มที่และเต็ม ก, กลาลังเสมอท่านเสียชีวิตโดยเร็วกะเพราะอาหารเมื่ อ, อยุตดส8บสปีพเพื่อจ่าทรรมิกสองเริ่มแม้ว่าจะเกิดคนละครอบครัวแต่ทั้งสองรูปตามปรารถนาจะเกิดเป็นพี่น้องกันในภพชาติต่ อ, ตอไปเออแปลกดีเวลาได้ปัจจัยมาท่านก็นจะแบ่งเป็นสองส่วนเท่าเท่ากันแล้วก็ให้ซึ่งกันและกันแล้ไเมื่อวานครูไมื่อยบอกบุญอะไรก็ตามทั้งสองก็จะชวนกันแก้ผังจนนี่ ในการตั้งกองบุญนั้ น, น, นเสมอแล้วก็ได้สร้างความตะลึงกับพื่นสหธรรมิกหลายครั้งในการปิดกองสำหรับเป็นอัศจรรย์ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นกองเอ็มเล็กหรือเอมใหญ่ก็ตามโดยเฉพาะบุญกะถินสามคีปีนี้ได้ทำเป็นปีที่4แล้วครับตอนนี้ทั้งคู่กอยได้ไปทำนาทีขยาวิชาธรรมกราไปทั่วโลกอยู่ที่เมืองโยฮันเนสเบิร์กประเทศสหรัฐสาธารฐแอฟริกาใต้ครับ คำถามเหตุใดอาชีพทำนักกุ้งของโยมแม่จึงร่ำรวยในช่วงแรกแต่ช่วงหลังกลับขาดทุนแต่ผมก็อยากจะรู้ว่ากุ้งที่ตายเองในบ่อเลี้ยงกับกุ้งที่ตายเพราะส่งขายให้เขาข่าเป็นอาหารผู้เลี้ยงกุ้งจะมีส่วนในวิบากกรรมนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับอืมขณะศึกษาได้จ้ะผู้ที่เลี้ยงกุ้งขายจะได้รับวิบากกรรมทั้งพบนี้และภพห น, น้าอย่างไรบ้างจะแก้ไขวิบากกรรมนี้จากหนักขึ้เป็นเบาต้องทําอย่างไรครับ วิบากกรรมใดโยมแม่ต้องประสบเหตุการณ์ทั้งน้ำท่วมบ้านหลายครั้งทำให้มีความลำบากในครอบครัวจะแก้ไขได้อย่างไรโยมพ่อมีกรรมใดจึงป่วยด้วยไส้ติง่งแตกโยมพ่อตายแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนจะรับบุญาการลบุญองผมอย่างไรครับจะหาไปทุกติภูมิทำอย่างไรจึงจะช่วยให้พ้นทุกข์ได้หลังจากโยมพ่อเสียชีวิตได้สมวัน คืนนั้นเวลาสองสามทุ่มมีสุนัขหอนอย่างโหยหวนโยมพ่อไปเยี่ยมผมใช่ไหมครับท่านมาสภาพไหนมีข้อความอะไรฝากบอกกับผมมาหรือเปล่าครับโยมตายโยมายายตายแล้วตอนนี้หยุดที่ไหนมีความไปอยู่อย่างไรนี่ล้วนตายหมดเลยไหมเจ้าเพื่อสาตมิถงสองรูปในชาตินี้ได้เกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่สามารถปิดก้อนได้สำเร็จทุกครั้ง ชาติตาต่อไปผังจัอยทั้งสองรูปถูกเรื่อไปอย่างไรบ้างครับแต่ดีทั้งสองรูปสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรได้ลงมาทั้งสองรอบไหมครับอืแต่การตั้งความปรารถนาว่าใหญ่จะมาเกิดมาเป็นพี่น้องกันจะมีผลเสียหายอะไรหรือไม่ครับ อ, อ๋อจะเป็นพี่น้องบ่หมีปัญหา้าเป็นอีกอย่างอ่มี ถ้ามีคนเรียกพี่เขาเรียกน้องพี่น้องมาเรียกแบบไหนถ้าเป็นแบบพี่น้องแบบเสียงอ่อนเสียงหวานเด้ออันนั้นก็จะมีผลเสียเด้อเรียกกันตามปกติเสียงยังแข็งแรงเด็ดเดียวอ่าโอเคพา น, น้อง อันที่น้องแบบไหนนะบุปกรรมได้แต่ผมเกือบตายหลายครั้งเช่นพระจมแลาและถูกรถชนแต่รอดตายมาหลายครั้งอีบากรรมได้ตยผมเป็นโรคมะเร็งในช่องท้องและ้ได้ผมจึงรอดตายหายป่วยจากโรครายนี้ผมจะมีโอกาสจะมีโอกาสกลับมาเป็นโรคมะเร็งอีกไหมครับเพราะผมได้ทาความรู้จักกับมันแล้วไม่ต้องจำไม่ต้องศึกษาอีก ไอ้ที่ฝันนั่กลัวไม่หญ่มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรมผมอยากทราบว่าผู้ติดกำลังป่วยเป็นอริมะเร็งหากปล่อยสัตว์ปลอ่ปลอยปลาบ่อยๆจะมีส่วนช่วยทําให้อาการทุเลาเบาบางหรือหายเป็นปกติได้เร็วขึ้นหรือไม่ครับหรือควรจะต้องสั่งสมบุญในรูปแบบใจเป็นพิเศษครับอ่ายังไงบุญถวายยากิลานาะเพสสัตยังไงปัจจุบันผมรับบุญอยู่ที่กองรักษาบรรยากาศคอยดูแลความเรียบร้อยในขณะที่สาธุชนําลังปฏิบัติธรรม วันนี้จะทายผมและทีมงานได้รับอนิสงฆ์อย่างไรมผมแระยมแม่สร้างบ ร, รมีกมูกคณะมาอย่างไรทำหน้าที่อะไรในหมู่คณะเดี๋ยวเรามาสร้างบ ร, รมีทั้งสองรอบไหมครับอืมอีพจนการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรบ้างครับจําเรื่องราวและคําถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันเป็นตูมตะเตือ น, นขึ้นมาขาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาล่อด้ยฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้า นากุงยงยมแม่ช่วงแรกร่ำรวยแต่ช่วงหลังขาดทุนเพราะทานบารมีแน่ดีที่ทำในช่วงแรกแต่ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไ ว, ว้ห้มารวยด้วยสัมมาจีวะมาทรงผลให้ร่ำรวยก่อนแต่เนื่องจากทำบุญมาไม่สม่าเสมอจึงทำให้ขาดทุนในภายหลังเพราะไม่มีบุญรองรับสมบัติอีกทันในชาตินั้น ต่อมากระด่อธิษฐานว่าย่าได้ทําบาปใดเลยดังนั้นปุนบุญปนบาปนี้จึงได้ช่องอส่งผลให้เลิกจากกิจการมิจฉาชีวะจะ<อ>ถือว่าเป็นบุญที่ปนบาป <laughs> กุ้งที่ตายเองในบ่อเลี้ยงกุ้งก็จะส่งผลให้ผู้เลี้ยงกุ้งประสบภัยดที่โรคระบาดนื่องจากกุ้งตายเองเราไปเลี้ยงมัน เ, เอามาขังมันไว้อย่างนี้ครับ แล้วมันตายอย่างเงี้ย<ม>เราก็จะมีวิบากคือจะเป็นโรคระบาดแล้วผู้เลี้ยงกุ้งมีเจตนาน้อยกว่ากุ้งที่ส่งขายเขาฆ่าอ<ม>เรามาเลี้ยงแล้วกุ้งมันตายเองเนี่ยแต่การเลี้ยงแล้วส่งไปให้เขาฆ่านั้นจะสง่งผลให้อายุสั้นและมีโรคภยัยแครเจ็บจะอื<ม>แต่ถ้าหากว่ากุ้งตายเองนั้นคแค่เป็นโรคระบาดสามสิบโลกสามสิบาท คืออายุสั้นและมีโรคภัยก็เจ็บเหมือนกันต่างแต่ว่ากุ้งตายเองนั้นมีวิบากกรรมส่งผล น, น้อยกว่ากุ้งที่เลี้ยงแล้วส่งขายเ ข, ขาฆ่าเป็นอาหารผู้ที่เลี้ยงกุ้งขายจะได้รับวิบากกรรมคือมีโรคภัยไขเจ็บมากและอายุขายก็จะไม่ยืนยาวทั้งในปัจจุบันและในอนาคตชาติต่อไปด้วยพบชาติต่อไปก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บและอายุไม่ค่อยจะยืนเท่าไหร่ แต่แก้ไขก็แหกหักดิบเลิกธรรมาชีพนี้และสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาใบล อ, อยแล้วที่บุญกุศลแม่กษัตริย์เหล่านั้นอีกทั้งต้องนั่งธรรมะให้เห็นพระนในตัวจ้ะย่แม่ประสบภัยน้ําท่วมบ้านหลายครั้งทําให้ครอบครัวลำบากเพราะเคยอนโมธนาบาปมาในอดีตเรื่องมีิจว่าชาตินั้นท่านเกิดในเมืองเมือ ง, องหนึ่งปกครองเมืองได้ทรงทหาร ให้ไปทําการรอบเพื่อ ย, ยึดอีกเมืองหนึ่งโดยสั่งให้ทหารไปทําลายเขื่อนกั้นน้ำํำ <Yeah. S 1> จนน้ําท่วมเมืองนั้น oh. แล้วท่านในฐานะอยู่ในเมืองที่ผู้ปกครองส่งไปส่งทหารไปทําลายเขื่อนก็ยินดีดีใ <Yeah. S 1> จที่ทหารเมืองตอนทาเช่นนั้นจนชนะศึก oh. มัาส่งผลให้เจอน้ําท่วม oh. จะแก้ไขให้สั่งส ม, มบุญทบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆ และมนติสานจิตพ้นจากวิบากกรรมนี้เจ้าแค่ลอยยินดีแค่นั้นเองนะกระแสงบาก็ไหลแปบบ๊บมียยตนะดูดเข้าไปหาเลยอยู่ในใกลางกายยวพ่อโปรตีไซต์ติงแต่เพราะกรรม็้าศัตร์ทำกับแกล้มทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลเจ้าแต่แล้วก็ไปเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีเจ้า เป็นภูมิเทวาชันดีได้บุญที่ลูกบวชให้จึงทำให้ท่านนึกถึงบุญได้ในช่วงท้ายจึงทําให้ปิดอบายจ้ะภายหลังจากท่านตายใหม่ท่านกลับมาวนเวียนอยู่กับครอบครัวสุนักเห็นจึงพูดภาษาของสุนัขไม่ได้พูภาษามนุษย์ถ้าพูภาษามนุษย์จะหนักกวันนี้ถ้าพูภาษามนุษย์เอาท่านครับท่านมาแล้วเหรออะไรจะเกิดขึ้น อ่าเห็นไหมแจ๊บราะนั้นมันแค่เห่าหอนดีดีนักนะเรื่องนี้ครูอยากรณมีประสบการณ์ก็นั่งอยู่หน้ากุฏิอยู่นี่แหละหน้ากุฏิยายโอ้ยลงหยอกรถแท็กซี่มาเดียนเป็นไรดียันเป็นไรไม่เคยมาวัดเนี่ยเอาเป็นยังไงเราก็ว่ามันก็คุยกันก่อนีิก็เป็นไรฟังมีพระองค์หนึ่งวัดหนึ่งมาบอกให้ทาบุญ ปล่อยคาราบาปล่อยคว า, ายเนะให้ชีวิตสะเป็นฐานเขาไปทำบุญก็ไปทำวิธีกรรมอะเร็งต่างเออเสร็จแล้วพอถึงวันปล่อยจริงๆพระท่านก็เชิญไปร่วมปล่อยพอไปถึงนี่คาราบาเนะสวัสดีครับแล้วเอ่ยชื่อเอยชื่อผู้หญิงคุณโยม่านนั้นเอ่ยชื่อขอบคุณครับ เท่านั้นแล้วเกิดมาไม่เคยเห็นกนระบาพูดภาษาคนได้มาหาไมนได้รู้จักกันหรอกแล้วก็มาถึงเดี่ยนเป็นไรเดียนเป็นไ ร, นนไรค่ายจะไปรู้หรืต้องมาไลฟฟังก่อนอ๋อเพราะว่าควายพูดภาษาคนนี่แต่สุนัขพูดภาษาคน จ, จะหนักกว่านี้ท่านก็ได้รับบุญทุกบุญที่วิธไปให้และฝากขอบ คุณอนุโมทนาที่อุทิศบุญไปให้ท่านจึงทําให้ท่านมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีโอกาสไปอภัยโดยเฉพาะได้รับบุญจากพระลูกชายเป็นหลักจ้ะโยมตายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิทวาระดับทั่วไปได้รับบุญที่ทิพไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีความมีอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะแต่กับฝากอนุโมทนาขอบคุณมาที่ทําบุญอุทิศไปให้ท่านทําให้ท่านมีอาหารทิพย์เสื้อผ้าที่อยู่อาศัยดีขึ้นจ้า โยมยายตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นยามาโอสวรรค์ชั้นทีน่สามเลยได้บุญที่ทาอย่างต่อเนื่องในพระพุทธศาสนาใช่ไหมจ๊ะสามีภรยาไปกราบที่ครรภ์ทางไ <S S S 2> ด้รับบุญที่ทำให้างต่อเนื่งในพระพุทธศาสนาใช่ไหมจ๊ะสามีภรยาไปกราบที่ครรภ์ทาง้รับบุญ ท, ที่ทำอยาตอเนอนี้ท่านมีความีุขยบายดีา่างได้บุญที่ทำ่างเ่อเพื่องในพรทธานาใช่ไหมจสมีรปกราบที่ครรภ์ทได้รับบุญที่มำอย่างนืะพากมจน แต่สามารถทำบุญปิดกองได้ทุกครั้งชาติไปผังจนก็ถูกลื้อไปได้เกือบครึ่งหนึ่งแล้ว<า>ถ้าบุญต่อไปอีกบ่อยๆจนกว่าผังจนจะถูกรื้อหมดจ้ะพุทธศาสนที่ผ่านมาตั้งครัวเป็นพี่น้องร่วมสาบานาสาบานจะเป็นพี่น้องกันแต่เกิดคนละบ้านนะแล้วครอบครัว ค, คล้ายชาตินี้แล้วก็ได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวช ได้ออกบวช ด, ด้วยกันทั้งคู่ตามพระราชาบบวชแล้วก็ทําหน้าที่เผยแผ่ทั้งคู่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระทั่งดวงธรรมใสๆของพระใสๆด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ลงมาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบจ้ะาการตั้งความปรารถนาที่จะมาเกิดเป็นพี่น้องกันในภพชา ต, ติต่อไปก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรเราจะได้ประคับประคองกันในการสร้างบารมีให้ดียิ่งขึ้นไปจ้ะ นอกจากเกินคนระบ้านแล้วก็น้องหญิงพี่ชายในเรื่องตัวลูกเกือบตายหลายครั้งเช่นพระจมน้าบ้างรถชนบ้างแต่รอดตายทุกครั้งเพระเาะเกิดพิหารนี่เดียก ร, รบทับจับพระศึกมาตรมานแบบนั้นอ่ะทรงผลแต่เป็นแค่เศษกรรมแล้วจ้ะทหารพระราชาองค์ที่ออกบวช กรอบกระชาตินั้นได้ทำบุญกระหมูคณะมาและมากี่อธิษฐานจิตบ่อยๆประกอให้พ้นจากวิบากกรรมธรมบานฆาศึกและค่าฆ่าศึกมากมายดังนั้นบุญนางกลาจึงไปตัดราวิบากกรรมให้หนักเป็นเบาใจจึงรอดตายได้เป็นลมาปเลยในช่องท้องแต่หายได้เพราะวิบากกรรมปานาธิบาที่ทางค่าศึกที่ช่องท้องและก็เตะเตะพาปามา โอ้ไม่โหดขนานดะนี้จุกจุกเตะที่กล่องกล่องดวงใจโอ้ไม่ไหวดี๋นุหน้าหน่อยจนดวงใจนี่ไม่อาจจะโผล่ได้นี่เตะต้องกล่องเนะี่ยดวงใจจนดวงใจไม่อาจโผมารวมส่งผลจะหายได้เพราะมือกับหมูกันนะ ถ้มันดังสมุูรณ์ทั้นี่มาๆมาแล้วที่ฐานจิตปบีก็จะไม่กลับมาเป็นอีกแต่ถ้าประมาทมาไดแล้วก็มีสอืงกลับมาอีกจ้ะ<อ>ส่วนที่ฝันหนึ่งคืรู้มิจัยกับพละใจผูกพันแล้วก็สร้างบุญลุ่งกันมาจ้ะโปรเจกําลังป่วยเป็นรเร่ามะเร็งหาปล่อยสับไปป ล, ปลานั้นบ่อยๆก็จะไม่ส่วนช่วยให้พรนหนักเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญในปัจจุบันอันนี้ต้องศึกษาจ้ะ บุญใ น, นปัจจุบันกับวิบากกรรมแน่ดีที่ทํามาเนี่ยอย่างไหนจะมีปริมาณมากกว่ากันถ้าหากวิบากกรรมน้อยบุญปัจจุบันมากก็หายถ้าวิบากกรรมกล่าวมากบุญปัจจุบันน้อยมันก็ไม่หายแต่หนักเป็นเบาบยือดอายุออกไปได้หน่อ ย, ยอก็ต้องสังสมบุญทุบทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสับปล่ยปานังธรรมะให้กระถึงพระภายในหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็จะไปดีปัจจุบันตัวลูกอยู่กองรักษาบรรยากาศ เดูแลความเรียบร้อยในขระดสาธิตจะปฏิบัติธรรมนั้นสัุลและทีมงานจะได้อันดิสงเอาโดยย่อนะจ๊ะ ค, คือเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็จะทําให้บุญนี้ส่งผลให้ได้เกิดในปฏิรูปประเทศที่<ส>เป็นสปายะ<ส>ให้เข้าถึงทําได้อย่างรวดเร็วและจะปฏิบัติทําได้สะดวกตัดสรูได้เร็วเป็นต้นจ้ะ<ส><ส>ตามทั น, ทนไหยจ๊ะโยแม่ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามอารมณ์ ไม่สม่ำเสมอได้ติควรดังนั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไปเจอกันจ้าท่านก็มีผลการปฏิบัติธรรมได้กุศลนิมิตมั่นคงบ้างไม่มั่นคงบ้างได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาสวยๆมีวิมานทองชั้นดาวดึงแต่เรามาสร้างบารมีเพียงราบเดียวจ้าดังนั้นชาตินี้ต้องตั้งใจดีในการสร้างบารมีเพื่อจะได้เปลี่ยนผังใหม่กลับไปดูสิบบุรีอาจจะมีกายมนุษย์หยาบอยู่ในรถแก้ได้นะจ๊ะ ส่วนตัวลูกเองพุทธนนที่ิ่านมาก็ได้เป็นทหารพระราชาคนที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาวบวชแล้วก็ทําหน้าทีเ่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติทำได้เก่าถึงองค์พระสายสว่างตราชกลับดุสิตบุรีได้ลงมาสร้างบรมีได้สองรอบจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบรมีเต็มที่ีนทุกบุญรักติฐานจิตตามติวิทุสิบบุรีวงบุนวิเศษเขตบรมโพธิสัตย์อย่าได้พลาดกันเลยจ้าตาธุ นี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสต์ ด, ดีสั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้